ปล่อยคนไม่มีความหมายในชีวิตให้อยู่ในสถานะไม่มีความหมายทางใจตอนดนคนแปลกหน้าที่ไม่มีความหมายกับชีวิตคุณผ่านเข้ามาทำร้ายจิตใจคุณน่าจะปิดเขาหรือเธอออกจากใจได้ง่ายๆสมกับที่ไม่ควรมีความหมายทางใจใดๆเลยแต่ข้อเท็จจริงคือมันไม่ง่ายและเหตุผลที่ไม่ง่ายก็เพราะคนเรา ชอบบนว่ามันยากปล่อยให้คำว่ายากรอบงามจิตใจไม่เคยชินกับการฝึกคิดถึงเรื่องเล็กแบบที่มันเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่เคยชินกับการปล่อยคนไม่มีความหมายในชีวิตให้อยู่ในสถานะไม่มีความหมายทางใจหัวจิตหัวใจของเราทุกคนถูกฝึกให้ยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมาัแต่เด็กและคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยโตเต็มตัวทางจิตกันเลย แม้ภายนอกจะเหมือนสุขุมลุ่มลึกตามวัยแต่ภายในยังยึดยังยือ้อยังห่วงกับเรื่องไม่ควรยึดไม่ควรยือ้อไม่ควรห่วงทะเลาะกับเพื่อนร่วมถนนก็เอาเจ็บใจอยากเอาเรื่องกับคำพูดของคนไม่รู้จักก็ได้ถกเถียงข้ามปีชิงถ้วยกูรู้ก็มีมาตรวัดการเติบโตทางจิตจึงไม่เกี่ยวกับเลขอายุไม่เกี่ยวกับเกียรติบัตรใด แต่เกี่ยวกับการฝึกใจโดยตรงคือฝึกให้จินกับการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเล็กและทำเรื่องไร้สาระให้หลุดลอยไปจากใจหรือแม้แต่เรื่องใหญ่ที่น่าหนักใจจริงๆก็ทำให้กลายเป็นเรื่องกลางกลางวางใจเป็นกลางๆได้เมื่อใจเบากับปัญหาเล็กน้อยคุณจะแก้ปัญหาเล็กน้อยยังไม่เป็นทุกข์และเป็นสุขเล็กน้อยกับปัญหาที่ผ่านพ้นไปโดยเร็ว เมื่อใจเป็นกลางๆกับปัญหาใหญ่โตคุณจะแก้ปัญหาใหญ่โตอย่างมีคันติแล้วเป็นสุขใหญ่โตเมื่อปัญหาผ่านพ้นไปโดยดี